เรื่องสิ์ประจันบาลแห่งกองทัพธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยนะลายมากนะอย่าดูเบาอย่ามองข้ามนั่งปั๊บสบายหลับนั่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็ได้ตาีละครังเวลาไหนก่อนลุกลุกกบมือกย้ายที่นอนใหม่ลุกจากที่เคยนอนแล้วก็ย้ายมานั่งหลับต่อ การนอนหลับนั่งหลับโยไปเรื่อยๆนะมันมีสมาธิก็เข้าใจนะแต่มันไม่มีสติสมาธิที่ก่อให้เกิดความสุขความสบายคนที่นอนหลับนั่นคือคนสงบเข้าใจไหมคนที่นอนไม่หลับก็คือคนที่ไม่สงบสมาธิที่ยังไม่สัมปัะจุตไปด้วยส ต, นะยกยสติก็เลยเป็นคนหลับ สมาธิในช่วงนั้นหลับไปไ ม, ไม่มีความทุกข์แต่อย่าลืมว่าการ น, นอนหลับนั้นมันได้นั่งหลับนอนหลับมันได้สั่งสมพระพุทธเจ้าว่าสั่งสมราคานุใสคือความกำหนัดพอใจเข้าไปตามเข้าไปอาศัยอยู่ในใจดูให้ดีๆบางทีนั่งหลับดีๆแล้วเติมขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกเอนเตอร์เทนเมนต์ทางเพศทางการมารมอะไรขึ้นมา ถ้ามันฟุ้งซ่านอยู่มันก็ตรงข้ามกับหลับการฟุ้งซ่านอยู่นั่นเกาะรวบรวมเอาปฏิฆะปฏิฆานุใสคือความไม่พอใจความโกรธความขัดเคืองขุนมัวซ่อนอยู่ในความฟุ้งความซ่าน น, นนะแต่ถ้านนอนหลับนั่งหลับอยู่ตลอดนะันก็สั่งสมเก็บหอมรอมริบไว้ซึ่งราคานุไสต่อมาก็จะใหญ่จะโต จะไม่สามารถเอามันอยู่ได้สั่งสมไว้ซึ่งกามเหมือนกันนะคือการปล่อยตามสบายยะถาสุขังวิหารทานนั่งรับไม่พยายามที่จะต่อสู้ไม้ห้องโลบตัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เทวุริยาเราเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นอันตรายมากนิทาตันทิพิชมาตาอรารติมัตซัมมะโตอวสันติสลิงละท่าปะโหหิ พระปัญทยโยแปลว่าอันตรายมากทีเดียวอันตรายมากทีเดียวพหูหิปริปันทยโยปริปัญทยโยพระหูหิปริปัญทยโยอันตรายมากทีเดียวนิานทตาตันติพิชมตาอรติมัทธสัมมาโตอวะสันติสริงรัท่าพหูหิปริปัญทยโยอันตรายมากทีเดียวคือความขี้เกลียด ค, ค, คือความหลับคือความง่วงนอนคือความเมาอาหารใช่ความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ในสรีระของท่านนั้นนะมันจะเป็นอันตรายมากที่ดูว่าเมื่อกี้นี่เราพูดถึงกองพลที่ห้าถ้ากองพลที่สองความไม่พอใจนั่นก็เป็นอันตรายมากไม่พอใจแม้แต่ในตัวเองก็ถึงกับฆ่าตัวเองตายถ้าท่านเปิดพระิดก เล่มที่หนึ่งวิใ น, นปีดงเปิดไปไม่กี่หน้าก็จะเห็นเรื่องพระฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นประทมประซึ่งเป็นอาบัติประชิกที่พระพุทธเจ้าตั้งอบัติประชิกฆ่ามนุษย์ให้ตายฆ่าตัวเองก็เป็นประชิกเลยซึ่งกเกิดมาจากความไม่พอใจในตนเองนั่นแหละพระพุทธญาจะบอกว่าเป็นกองพนที่สองวัติยา ปุติยาระติวิจตินะั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเอากองผลที่สองที่สามที่สีมารวมกันเข้าอันตรายมากพระพุทธเจ้าจึงบอกนิทตันติพิสมะตาอรารติมัทสัมมัตโตความม่วงเงาห้อนอนความขี้เกียจความหลับความเมาในอาหารซึ่งมีมากมากให้ร่างกายนี้ในสรีละนี้เป็นอันตรายมากทีเดียวเนี่ย อาวะสันติสเล็งมัทภาพูหหิภระปันธิโยภริปันธิโยปริปันธโยมีอันตรายมากภูหหิปริพันธิโยก็เข้าใจเพราะการมุ่งนอนนี่จะได้ดูเบามันนะทําอย่างไรเราจะเอาชนะมันมันมีหลายวิธีที่จะต้องพยายามหนึ่งอย่าพยายามหลับตา นั่งสมาที่ลืมตาก็เป็นสมาธิถ้าใครลืมตาได้เป็นสมาธิผู้นั้นจะมีสมาธิกล้ามีสติมัน่นคงบางท่านเทศก็หลับตาเทศไปไม่มีบุ ค, คลิกอะไรเพราะลืมตาขึ้นไม่มีสมาธิไม่มีสติคนฟังก็กำลงังคายคนนี้ไปแต่บางท่านท่านลืมตาท่านเทศท่านมองนน่นมองนี่มองดูคนให้คนอยู่ในอาการสงบเลยือไม่มีสายตาที่เต็มด้วยสมาธิสติควบคุมได้จนหมด เมื่อกับตองหมดตึงผู้ฟังให้สงบลำงับไปเลยอย่างเงี้ยท่า น, นใชส้สมาธิท่า น, นใช้สติไปในตัวเพื่อเราก็ฝึกอย่าพยายามนั่งหลับตาโอเคถ้าหางมันตื่นมันไม่ง่วงแล้วก็หลับเียหลับตาไม่ต้องดูภาพภายนอกอะไรก็ดูแต่ภายในใจหลับตาก็มองดูข้างในมันคิดอะไรมันรู้สึกอะไรเพ่งลงไปที่นี่มันเกิดได้ยินเสียงในหู ถ้าผู้ทำมานาปัญสติมันมัดจะได้ยินเสียงก่อนนะหงส้ายออกมาก็หงขวาเสียงดังดึงดังดึงดังดึงดังเสียงทั้งหมดนั้นมันเป็นเสียงของกายสังขารเสียงของขื่นตาเมองเสียงของขื่นหัวใจเสียงภายในเสียงภายนอกความละเอียดลงแห่งจิตมันก็ได้ยินพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลเกลียดการงานมุทุตังจิตตังกรรมะนิยังจิตตังอุโพสเทสุนันตินมติ จิตตั้งนิมิเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอก็ยอมโน้มนาวจิตไปเธอยอมฟังเสียงได้ทั้งสองเสียงเสียงที่แปลเสียงมนุษย์เมื่อมันเริ่มสงบมันก็เริ่มได้ยินเสียงเสียงหัวใจมันเสียงคลื่นซามาเสียงลมพัดยอดเขาชายป่าเสียงน้ําตกจากหน้าผาเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้สติขึ้นมาส่วนบนแล้วก็จ่อฟังเสียงนี่เป็นอารมณ์ไปด้วยให้มันเกาะกันอยู่ตรงนี้ น, น, าา น, น้อมจิตมาตรงนี้นำมาทางจิตดังอุโพสัตังสนาติน้อมจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดทั้งเสียงคลิเสียงมนุษย์เพาไม่น้อมไปเสียงเหล่านี้ก็จะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นความสงบแห่งจิตก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้เสียงนี้ก็เงียบไปแล้วก็เกิดเสียงใหม่ที่แหลมต่อมากับเสียงที่นิ่มนวลที่สดเหมือนกับจะล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเสียงเหล่านั้นเหมือนกับจะดึงดูดเรา ดูจากขมังของเราลอยขึ้นไปบนฟ้าที่ี่จิตก็ยิ่งสงบแน่นิ่งกับตัวถ้ามีสติมากไม่เต่นเต้นต่อมาเสียงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเสียงเป็นซับเป็นท่อเป็นคํำข้งแรกก็ฟังไม่ชัดเจนนะนั้นเขาก็เป็นคําอาจจะเป็นเสียงเสลเซิร์นเจรจ์ในการประพฤติปฏิบัติเรื่องจะเป็นเสียงด่าสั่งสอนว่าทําอย่างนู้นไม่ถูกอันานี้ไม่รด่าไม่ใช่ด่าเราก็ด่าคนอื่น สนาช น, นีดมันก็มีมีมี ม, มอีอิทธิปจิยตามีพระภูดียา ย, ยังพูดเรื่องญาติปไต่คือความพิทังร้ายภิกษุผู้อยู่ในป่า ก, ก็ดีที่รับผูด้ดีที่แจงก็ดีเธอออกปวดแรกจากเรือนล้อมเขียนอยู่ในปา่าเธอย่อมมีความประลึกว่าในโลกอสุนิวัติอันกว้างใหญ่นี่มีสมณะพราพมณผู้รู้ผู้เห็นที่มีฤทธิ์มีเจโตปริญญามีที่ประโซตะที่ประจักษ์สุรู้เห็นได้ยินสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ที่เรากำลคิดอยู่ เราพูดอยู่แม้อยจะในที่ไกลๆแต่เราไม่เห็นท่านเหล่านั้นหรือในโลกสันนิวาสนี่มีเทวดาผู้มีทิพย์อำนาจสามารถจะรู้ขอที่เราคิดคิดที่เราทําคําที่เรากล่าวอยู่ในขณะนี้ถ้าชะนัยเซียเราอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เป็นทิฏิเตียนแก่สมณาคมแกเทวดาเหล่านั้นเลยเราควรจะภาคเพียรเพื่อทําที่สุดแห่งทุกข์ทำใดเป็นกุศลเราจะเริญทํานั้นทําใดเป็นอกุศลเราก็ละทํำนั้น นี่แลเรากลับ ว, ว่าผู้ถือโลกเป็นใหญ่เพราะนั้ น, นโลกเป็นใหญ่นี้ก็ยังปาราลบทั้งเรื่องเทวดาผู้ที่ได้ยินเสียองเราผู้ที่มองเห็นเราผู้ที่เข้าใจเราหรือเราได้ยินเสียงเทวดาอย่างนี้เพราะเหตุ น, นั้นเสียงที่เราได้ยินธรรมดาไม่มีศัพท์มีแสงเหมือนเสียงหัวใจเสียงหื่นสมองและเมื่อจิตเราเปสมาธิมากๆฟังเข้าไปจนไม่คิดภายนอกอะไรเลยจิตก็เลยเป็นอันเดียวเอกาทิพาโบขึ้นมาจิตอันเอกผุดขึ้น เมื่อนั้นเสียงนี้ก็แปลรูปทันทีเป็นเสียงเป็นสับเป็นเสียงเป็นท้อยเป็นคําขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นได้เพราะะฉนั้นมันจะง่วงเหงาเขานอนมาจากไหนมันก็เกิดอาการหายง่วงตื่นเต้นอะสิ่งเหล่านี้ถ้าอย่างนี้มันไม่มีอ่ะมันไม่มีภาวะเช่นนี้แล้วกสร้างสติไว้ส่วนบนเท่งไว้ส่วนบนไม่ลงข้างล่างนา น, นาเขามันก็อาจจะเกิดภาพ ดูลมหายใจไปส่วนบนนี่อยู่เฉพาะหน้าก็จะอาจจะเกิดเป็นภาพไหลไปมุนไปเวียนไปเป็นภาพสีเหมือนปุยเมตปุยนวลปุยฝ้ายยดน้ำะาะลรแต่มันจะเป็นหลอง่างนั้นเราก็ใช้สติเพ่งลงไปในภาพเหล่านี้ปล่อยหมดพวกลมหายใจพวกอะไรกำหนดน้อมจิตไปควบคุมภาพเหล่านี้สร้างมโนภาพทับให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันเล็กใ ห, ให้มันใหญ่ทาไปทามาก็เป็นบวบวั บ, บ, บ เหมือนตกจากที่สูงเราก็ไม่ตกใจโดนต่อไปทาไปธรรมาจิตใจเรามันก็ลืมลืมภาวะผู้เพ่งแต่เข้าไปสู่ความเป็นอันเดียวกับการเพ่งเอกระมณาัางจิตตังจิตไปสู่อันเดียวกับการเพ่งพึ๊บลงไปนั้นเอกาที่ผาโปกิตอันเอกเกิดขึ้นภายในตรงนี้ไม่ต้องบอกมันจะรู้จักเองแล้วมันจะง่วงนอนมาจากไหนง่วงนอนได้หรือไม่มันก็เพิ่งเพิ่อยู่ในธรรมเกิดธรรมะนันที เกิดความเพลิดเพลินในธรรมธรรมปีติเ อ, อื้อิีมอยู่ในธรรมออนซอนเจาะ้องถอนตัวบัตไม้ออนซอนเอ๊เพราะนั้นเรื่องความง่วงนี่ก็เป็นกองพลที่ห้าระวังให้ดีฮะวิธีชนะความง่วงถ่าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดไม่มีเมื่อมันง่วงนักเราก็ลุกขึ้นยืนยืนกัหนดตัลมหาจะแรงซ้ายแรงขวาโลกิเตวิโลกิเต สัมปช а นะกาลิโหติเธอแลเธอเลี้ยวเธอมีความรู้สึกอยู่อันนี้รู้สึกแล้วจังแลจังเลี้ยวหลังจากนั้นครับสมมัญจิตเปสาลิเตสัมปชา n a กาลีโหติภิกขันเตปฏิกขันเตสัมปชานะกาลีโหติก้าวไปข้างหน้าทอยกับคู่เหยียดกบเงยเคลื่อนไหวกระดิกพลิกแผงลืมตาอาปากาคคุยสร้างความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อ ความง่วงก็ค่อยๆหายไปมองดูท้องฟ้ามองดูดาวและดูทิศทั้งหลายนี่ฉลาดเลยไม่เช่นนั้นมันยังมีแต่ง่วงง่วงเกาะปล่อยความคิดว่ามันจะคิดเรื่องอะไรมันชอบใจคิดเรื่องอะไรสัญญาอะไรสำคัญมันไหมอะไรชัดเจนในจิตในใจมันเคยคิดเรื่องใดมันสนุกเอาเรื่องนั้นมาคิดซะก่อนเพื่อให้มันหายง่วงแต่อย่าไปคิดเรื่องกล้ามาลงมาแล้วกัน คิดเรื่องหนังสื้อนังหาที่เราสวนร้องของบนซาร์ทายายหรือคิดเรื่องภูเขาป่าไม้น้ําฟ้าป่าเขาที่เราไปพบไปเห็นคิไปเห็นภาพเห็นนั้นในที่สุดเอาสิ่งเหล่านั้นมาซับบีเมตเป็นอารมณ์แห่งสมาธิก็ได้อย่างนี้สัญญาใดสงบสัญญาใดชัดเจนก็เอาสัญญานั้นแหละมาคิดเรื่องหายง่วงเมื่อมันหายง่วงก็กลับมาสู่อารมณ์แห่งสมาธิต่อไปถ้ายังไงยังไงไม่ง่วงเสียก่อนนอน ถ้ายังไงยังไงไม่หายจะก็นอนนอนตะแคงข้างขวานอนมันไม่อร่อยนอนอย่างนี้แต่มันง่วงมากเลยมันนอนเดี๋ยวก็หลับนับไม่นานมันก็ตื่นเพราะมันนอนไม่อร่อยท่านนี่ตื่นมาก็ลุกเพราะแสดงว่ามันทํามันอี่มแล้วมันจึงตื่นลุกเอาวตื่นเวลาไหนก็ลุกมันเวลานั้นสร้างอุทานสัญญาไว้ในใจว่าฉันจะตื่นรู้สึกตัวฉันจะลุกขึ้นอุทานอแกไปว่าลุกขึ้นเนี่ย ลักษณะเช่นนี้ก็สามารถอาชนะความม่วงแต่อย่าลอยไปกับความมุ่ ง, งสนุกสนานหลับไปเพลินไประวังให้ดีตัวนี้เป็นกองพลที่ห้าส่วนกองพลที่หกชัท้าพีรูประบุตรเจติกองพลที่หกนั่นคือความขาดกลัวขาดตัวเรากะว่าเป็นเฟนาเป็นหุนหนะกองทัพหุนพลที่หกกองทัพที่หกเข้าละ่ะคําว่า ขาดกลัวเนี่ยไม่ว่าทําสมาธิภาวนาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติไปก็มากลัวกลัวอะไรมันกลัวสารพัดผู้ที่มันจะกลัวนั้นเป็นกองทัพแห่งมารกองทัพหนึ่งเหมือนกันถ้าคุณกลัวมันจะกลัวไปหมดน่นานๆกลัวจะเป็นโรคอมมาภาอมมาพฤกอ้าวกินอาหารขาดขาดไม่ค่อยอิม่มค่อยเอม้มกลัวจะเป็นโรคกับเพาะกลัวจะเป็นโรคลําใส่กลัวจะเป็นโรคขาดอาหารตาย นางนักเขา ก, กลัวผีกลัวซ่างไปแล้วนางนักเขา ก, กลัวจะศูลพันควรจะศึกไปมีลูกมีเมีย ม, มีอะไรสก่อนพระพุทธเจ้าก็ยังมีลาหุ่นเนี่ยแล้ไม่มีลาอะไรเลยเนียเอาไปนูน่นตินไปทั่วไปแหละไม่ต้องไปกลัวมันศูลพันคิดไปว่าเออพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าร้อยปีแห่งเมืองมนุษย์เท่ากับวันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้น ชั่วโมงหนึ่งของสวรรค์ก็ฟ้าก็นไปตั้งหกปีกว่าแล้วทำอย่างไรโออถ้ามันเป็นอย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งบนสวรรค์ก็สี่ปีกว่าและสี่ปีหกเดือนถ้าอย่างนั้นเราเกิดมายังไม่ถึงวันเลยบนสวรรค์เราจะกลัวสูญพันธุ์ไปทำให้บวชมันสักชาติหนึ่งชาติหน้ามีจริงค่อยศมันถ้าคิดอย่างนี้หรือคิดเปรียบคิดเทียบว่าโอ้พระพุทธเจ้าว่าวัฏตะสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีธรรมกลางไม่มีที่สุด แฟนโกรธ อ, อสองไขเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นแสนโกรธกลับอย่างเนี้ยที่เราเกิดมาพระพุธทธเจ้าท่านกล่าวว่าน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มได้กินนั่นแต่ละชาติหลายๆกลับเอามารวมกันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรพระองค์หนึงถามพุทธเจ้า ว, ว่ากลับนึงมันมากขนาดไหนพระพุทธเจ้า ว, ว่านับไม่ได้ประมาณไม่ได้พอจะเปรียบเทียบให้ไหนว่าเหมือนกับภูเขาแท่งทึบศิลาล้วน สูงโยดหนึ่งกว้างโยดหนึงยาวโยดหนึ่ ง, งร้อยปีทิพเทวดาเอาผ้าขาวมากวาดร้อยปีทิพเทวดาเอาผ้า้ามากวาดจนภูเขาศิลาทึงนั้นราบเสมอกับพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าอริินอนกาวพื้นดินเดิมเมื่อนั้นแหละพอประมาณได้กลับทีนี้มีจะกลับหนึ่งมันเป็นแฟนโกรธกลับที่เราเกิดมาจึงเป็นไปได้ทีเดียวว่ากระดูกเราก็มากกว่าภูเขา น้ำตาของเราที่ร้องให้เมื่อพัดพากจากของรักของชอบใจบีนามารดาซามีภรรยาลูกเต่าก็มากกว่าน้ำในมหาสมะะุทรน้ำนมของมานดาที่เราได้ดื่มได้กินก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำเลือดของเราที่ถูกเชื้อดลั่งไหลออกจากค อ, ข, อขณะที่เราเกิดเป็นแพะเป็นแกะเป็น เ, เป็ดเป็นไกเ่ไกเป็นโคเป็นลาเป็นอะไรต่างๆก็ามากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุ น, นั้นไม่มีใครเลยจะไม่เคยได้เป็นพัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกัน ในวัฏสงสารอันนี้ที่ได้เกิดแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราสรุปว่าถ้าเธอเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสิสุกเขามีโรกมีผัวมีเมียงามๆมีเงินมีทองเป็นล้ า, ลานๆเธอพึงสรุปได้ว่าแม้เราก็เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเช่นนี้ในอดีตตระชาติครั้งหนึ่งอาจจะหลายครั้งในแสนโกรกลับ เวลาใดเธอเห็นคนผีกองผีการทุกอย่างปางมอเงอไอเปียดเสียขาตาบอดหูหนวกเธอจะได้รังเกียจเดี๋ยวฉันเธอควรสรุปได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตตชาติทุกคนเคยเป็นผี่เป็นน้องเป็นพอเป็นแม่เป็นวัวเป็นเมียกันมาแล้วเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวจะโูนพันพอเราเกิดมามากเรามากแล้วคนเฟื่องๆเง้างๆก็เคยเป็นพวกเป็นเมียเคยเป็นพี่เป็นน้องศัตรูหูเวรเรานี่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกัน มันก็เลยไม่มีสิ่งใดที่น่าจะหวาดกลัวเลยแต่กัวผีก็ควรจะเข้าใจว่าเราก็เคยเป็นผีมาแล้วน่าจะกลัวอะไรกันอีกอย่างนี้พิจารณาด้วยสติปัญญาทําลายความขาดกลัวกลัวจะเป็นโลกกระเพาะอาหารกลัวจะเป็นโลกอมมาผัดอมมาพึ่งกลัวจะเป็นโลกขาดอาหารใหม่ต้องกลัวคนกินมากๆตายไปก่อนเรานอนหลับตายไร้ตายไม่เป็นโลกเรานี่ก็ตายไปแล้ว ย่อมตายสังฆาเมมีมาตังเสยโยเยยังเจชีวประชิตโตตายเสียนในขณะที่ต่อสู้ดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้นี่ขุนพลที่หกรู้จากหน้ามันให้ดีๆต่อมาขุนพลที่เจ็ดแห่งกองพลที่เจ็ดก็มีอีกนะสัตตมีวิจิกิจชาเตกองพลที่เจ็ดนั่นคือความสงสัย ปฏิบัติไปสงสัยเรื่อยไปสงสัยตายแล้วจะได้เกิดหรือไม่ทําอย่างนี้จะถูกหรือไม่ภาวนะฮั่นมีหรือไม่พระพูดพระทำพระทรงจะช่วยอะไรเราได้จริงหรือไม่การปฏิบัติไปเนี่มันจะบรรลุมรรคผลนในผานหรือไม่มันหมดยุค ห, หมดสมัสยสงสัยสงสัยแม้จะกระทั่งมาบวชมาแล้วเป็นพระเป็นเนตรก็สงสัยหญ่กจะสึกออกไปลองมีลูกมีมมเมียเหมือนชาวบ้านเขาถ้าไม่ฉะนั้นมันไม่หายสงสัยเอาแล้ว พ่อบวชหนุ่มๆก็ยังสงสัยเขาะยังไม่เคยเพราเคยเห็นไม่มีผัวไม่มีเมียเหมือนชาวบ้านเขาพระพุทธเจ้ายังมีลาหุเนี่ยพ่อมีผัวมีเมียมีลูกมีต่อมาบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาเอาอิ่งสงสัยเองสงสัยลูกคนโน้นเป็นห่วงลูกคนนี้สงสัยเรื่อยไปว่าคงจะไปไม่ได้แล้วบุญมาว่าตนะไม่สรงคงมีเพียงแถานี้บวชตอนแก่ก็ซื้งไปตอนแก่เพราะนั้นไม่ต้องไปสงสัยมัน จงปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนเมื่อได้ทําปรากฏแก่ามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็จะหมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมันยังไม่ผลิดอกออกพ้นความสงสัยมันยังอยู่เรื่อยไปธรรมดาผู้ที่จะหายสงสัยได้ต้องจะเป็นพระโสดาบันจึงจะทําลายวิจิกิจฉาสังโยชนี้ไปได้ สัญญากับที่เรียกว่าวิจิกิจฉานั้นไปว่าสงสัยถ้าโซดาบาันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมมีศรัทธามันคงมีสิ้นมันคงมีการที่สละมั่นคงมีสติปัญญาพอที่จะทําลายความสงสัยศักยะที่ทวิจิกิจฉาสีละพตะปรามากศรัทธานในพระพุทธธรรมพระสงร์มีพอที่จะไม่สงสัยไม่งอนแงังนคลา น, แ, นแต่ในนี้มันยังมีความสงสัยชั่งหวัวมันสงสัยกับวางมันไว้ตรงนี้และวิจิกิจฉานี่ มันเป็นนิบอลตัวที่ห้เอ๊ทำอย่างนี้มันถูกหรือไม่อาจารย์นู้นถ่ายใจดีอาจารย์นี้ถ่ายใจดีวิ่งว่อนไปเที่ยวห้างคูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอืออาจารย์นี้ท่ถันพาเราทําตังแต่ดึกแต่เดินถ้าจะเป็นสมถะมาหนัรับหูรับตาเราไปห้าอาจารย์เลยที่มันเป็นวิปัสสนาดีกว่าสมถะมันชาวิปัสสนาดีกว่าตรงไปสู่นิพพานเอาไ้เอามาวิปัสสนาก็ไม่เกิดสมถะก็ไม่ได้ได้แต่อุปัตโตผัสทะช่วดทางสองทาง สมถะก็ไม่มีวิปัตนาก็ไม่เกิดเตลดิดเตลดิดมาเป็นป้าเป็นบ่เนบเนบอเพราะการปฏิบัติเสียประสง์ภาษาไปเลย่มยเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกยียจสมถะอย่าไปเหฮกับวิปัสนาอย่าเป็นหลงของเก่าอย่าไปเมาของใหม่สร้างสติสัมปชัญญะให้มันรู้เท่าทันกระ บ, บวนการแห่งจิตใจอยู่ทุกเมื่อมันคิดอะไรมันสงสัยอะไรเอาความสงสัยโยนลงไปตรงที่ความรู้จัก รู้เข้าไปในความสงสัยรู้ว่านี่มันเป็นเพียงสงสัยรู้เข้าไปในความรู้อย่าหลงเข้าไปในรู้ให้เรารู้เข้าไปในหลงเลยจึงจะถ้อยออกมาลู่เข้าไปในรู้รู้ความจริงของความรู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นเรื่องความสงสัยก็รู้ว่ามันสงสัยพอแล้วมันสงสัยอีกจะรู้มันเองสร้างปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญากําหนดรู้ไปหมดเมื่อรู้มากๆก็จะเห็นเบื้องหลังของสิ่งที่เรารู้นั้น ส่วนประกอบที่มันมาให้เป็นปัญหาเกิดความคิดมารู้ความคิดเกิดความรู้สึกมารู้ความรู้สึกรู้ไปรู้ไปแม้กระทั่งความคิดทุกแง่ทุกมุมของตัวเองก็จะเห็นเบื้องหลังของความคิดเกิดมาจากสัญญาความจำได้หมายรูดในอดีตเกิดมาจากเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจในอดีตในปัจจุบันแนวอนาคตกับดัก วิตกสิ่งที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งไว้ก่อนแล้วเป็นความคิดรวบยอดคิดไปทางตามตกไปทางตามไปทางพอใจไปทางไม่พอใจไปทางเบียดเบียนที่เรียกว่าสัญญาเวทนาวิตกรวมกันเป็นแฟคเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นส่วนประกอบมาให้เราคิดในขณะนี้คิดในขณะนี้คือสังขาร รู้จากความคิดความปรุงความแต่งของจิตอยู่อย่างนี้ในที่สนมันลอกเราไม่ได้เรารู้เท่าทันมันอ่านใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงเช่นนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาให้ขยันต่อมาคุณผลที่แปดมัคโคธรรมโพเตธรรมโมมัคคะธรรมะหลบหลูดูมินดือใช่ไหมแต่นี่มันเป็นล่ะความหลบหลู ความหัวดือ้อเรากะว่าเป็นเสนาที่แปดออกมานั่งนะเข้าก็ลบลูคู่บาอาจารย์หลบลูขอวัดปฏิบัติเลยทํามาเก็บตายไม่เห็นมันเป็นอะไรไม่เห็นมันเกิด อ, อะไรทำความเปียนตั้งแด่ดึกแต่ดื่นเข้าไปนู่นเลยไม่เห็นมันจะเห็นอะไรหูทิพตาทิพอะไรก็ไม่เกิดบางคนดูถูกเลยนี่คือกองทัพมารกองทัพที่แปดมันเข้าไปซิงสูในจิตใจมักโคทําพอหลังแกนก็ดือ้อ ดูถูกขอวัดปฏิบัติกาวช่วงจาบทาวินัยทําไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรกครูบาอาจารย์ก็เลยแต่พูดพูดพูดพาเราทําท่านก็เมือนกับเราเราก็เหมือนก็ทัดไม่มีอะไรจะไปดีเกินกว่ากันไหนไม่ล่ะไปเลยทีนี้หมดพังถลายหมดเฉยสติปัญญาก็หมดศรัทธาก็ไม่มีช่วดเอกไม่ได้อะไรอุปโตคภัทฑ์ชวดทั้งปัจจุบันช่วดทั้งอนาคต ช่วยทั้งประโยชน์อันจะพึงเห็นได้ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าลงได้ลบลูดูมินคูบาอาจารย์ลงได้ลบลูดูมินมขะปฏิปทาเมื่อนั้นตัวเหมือนตานยอดด้วนในมีความเจริญในทางในในอย่างที่ผมนี้มีหลายท่านมาหามาขออยู่มาขออาศัยเราไม่ว่าอะไรมาไม่ทันไรก็ดูถูกอุปชาอาจารย์เก่าของตนเองอย่างโน้ยอย่างนี้ผมเคยไล่ให้กลับคืนไปขอขมา ในเมื่อคุณดูถูกครูบาอาจารย์อย่างนี้จะเอาอะไรมาเป็นความเจริญมคโควัฒโพเตอัรรโมน่นเป็นกองผลที่แปดคุณผลที่แปดของมารอีกหน่อยคุณก็ต้องมาดูถูกผมนี่อีกลบลูดูมินคุณก็จะป้าอีกไม่มีใครดีในโลกนี้ต่อนที่พุทธเจ้าเกิดมาอีกห้าร้อยองก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เล ย, เยถ้าคุณมีความลบลูดูมินหรือคุณมีความหัวดือ้ออย่นี้ถูกกองทับมาร ก, กองทัพ ทัพที่แปดก็ไปซีงก็ไปโศไม่รู้เท่าทันเกิดความเบื่อหน่ายเอื่มระอาลบลูดูมิดแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ข้ออัดข้อทําต่างๆดาวช่วงากททาวินัยลบรูไม่พอยังไปชวนคนอื่นให้ล่องลอไปกับตนเองเป็นกรลยานามิตรให้ใค ร, ใครไม่ได้กลายเป็นปลาประมิตรใครไปคบก็าพากันแตกแยกสลายอย่างนี้นั่นเพิ่งรู้ถัดฟ้ากองทัพที่เจ็ดที่ 8, แปดแห่ง พยาบาทได้เข้ามาคุกคามจิตใจท่านแล้วไม่มีทางเจริญในทําไปในสลัดมันออกไปเอากองทัพที่เก่าลาโพสิโลโกส ก, กาลราบส ก, กาละเสียงสรรเสริญเยนยอนี่เสวาสลาสสรรเสริรญเยนยอเสียงยกย่องสาตุการส ก, การะเป็นกองผลที่เก่าคุ้นผลที่เก่า ครั้งแรกก็ไม่มีอะไรปราทถนาทำความเพียรอยู่ดีๆต่อมาก็มีราบมีสกักุลามีเสียงสระเสิญตัวนี้ตัวทําให้ตายกองผลที่เกา่านางทําความเพียรเจริญสมาธิภาวนาอีกสักหน่อยจิตเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบก็มีอะไรแปลกๆ ป, ปรากฏการบางที่ก็เห็นเลขเห็นเบอร์ฝันเห็นเลขเห็นหวยบางทีก็ปรากฏมาในนิมิตอ้าวแล้วสิทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นจิตใจก็เริ่มวันไหว เอน่าจะบอกคนโน้นคน น, น, ค น, นี่พอบอกไปแล้วมันก็ปุ่งต่อไปว่าถ้านราบอกนี่เขาถือมาเขาก็จะต้องหล่าต้องรวยในที่สุดก็นาํามาถวายเราชื่อเสียงของเรากโ ด, ด่งดังเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่โตในที่สุดสติมาไม่ทันก็ควบคุมมันไม่หบเห็นเลขครั้งเดียวเนี่ยนักปฏิบัติใหม่ๆมักจะเห็นเลขเห็นเบอร์นี่แหละก่อนนี่คือกองทัพมารกองทัพที่เก้าในที่สุดก็บอกเขาบอกครั้งแรกมันอาจจะถูกจริงๆนะ ครั้งสองครั้งตัวนี้เลยดังใหญ่เลยลาบสกาละก็เกิดขึ้นบางทีทุกวันนี้คนปราอับไวเหมือนเดิมก็จะซื้อรถยนต์กางานมาถวายตนเองก่อนลงและเลงว่าข่านีไปใจคนธรรมดานะวางมาสาสดาจุ้ยตีนไม่ติดินที่นี่มีรถเก๋งขี่แล้วมีรถขี่เสียงเซิเซิ้เยินยอใหญ่โตแต่จิตใจก็ต่ำสามลองต่ำสามลงความคิดความรู้สึกก็เป็นเหมือนชาวบ้าน ตาปกติแล้วนะักปฏิบัตินี่ในสมัยพุทธกาลก็ดีจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีพวกเทวดาพวกพญามานเทวดาเนี่เป็นมานก็มีนะเรียกว่าเทวปุตตมานพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิก็มีพวกสัมมาทิฏฐินี่ก็ดีใจเห็นเราก็พึ่งปฏิบัติก็เกิดเสียงสรรเสริญเยินยออยากกราบอยากไหวคนที่เป็นเทวปุตตมานเทวดาฝ่ายมานเทวดามิจฉาทิฏฐิ เห็นเราประพฤติปฏิบัติเคร่งคัดดีงามในยเดียวก็นึกในใจว่าเราจะต้องทำลายถ้าคืนปล่อยต่อไปท่านปุณณีเมื่อทำการละตายแล้วจะได้เป็นเทวดามเหสักมียศสักยิ่งใหญ่กว่าเราแล้วก็จะตาต้อยอับรัศมีลงถ้าอย่างนั้นเราจะทำลายถ้าสมัยก่อนก็เอาส่งผู้ยิ่งมาทำลายมาเนลมิตเป็นผู้ยิ่งงดงามอะไรต่างๆทำให้ลงไหลแต่สมัยนี้ไม่ลงทุนนึกขนาดนั้นง่าย สมัไมนี่ก็มาบอกเลขให้หน้อยมาให้ฝันอย่างโน้นอย่าง น, างนี้สุภีนางปะสะติเห็นในฝันขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นนิมิตเกินมาลองดูสิพอเห็นปั๊บก็หลงเลยโอ้ทีนี้อยากเด่นอยากดังมีลาบสกัาละเสียงเยินยอกก็บอกชาวบ้านเป็นความพอใจของเทวดาฝ่ายมารเรียกว่าเทวปุตตมารเมื่อลาบสกัละเกิดขึ้นเมื่อนั้นความเสื่อมก็เกิดขึ้น พระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าลาบสักก ะ, ะเสียงเยินยอเป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณของพมมากันในที่สุดจิตใจทั้งเกาะล้องระเลงไปกับราบสกะะักกะความที่จะออกจากโลกความเบื่อนายคลายกำนัดในตันห้าราคาไม่มี ม, มิแต่จะกำนัดไปเรื่อยๆในที่สุดเกาะดังกล่าวแล้วดงเรื่องดังล่าของนายนี้ก่รธรรมาวาทีของใครต่อใครเนหะ็นไหมดังขึ้นมาดีๆสุดท้ายมันก็พังทลายลงอย่างนั้นเพราะลาบสักก ะ, ะเสียงเยินยอ ทุกวันนี้มันง่ายมากคนกำลังบ้าหวยบ้าเบอร์อยู่ทำสมาธิไปหน่อยพบสิ่งอลไรนี้ก็อยากบอกบอกถูกครั้งดึงสองครั้งสามครัก็เด่นดังใหญ่แต่จิตใจก็เสื่อมทรามสุดท้ายก็ไม่มีความเจริญในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเลยเนี่ยระวังให้ดีมันทำลายตั้งแต่หวัวทีส่วนเทวดาที่เป็นสมาธิเมื่อเห็นเราประพฤติปฏิบัติดีงามก็อยากกราบยากไหวดีใจ อหารจะศีลสัมปันเนจิละลัทธะสมาหิเตสมาปะปัจจิเตวันเถหพมจริยะปรายเนฆาประเจ้าวัยผู้มีศีลอันงดงามข้าประจาวัยผู้ที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นดีแลว้วข้าพระจาวัยท่านผู้ดีบวชแล้วโดยชอบข้าพระจาวัยท่านผู้มีพมจันโยเบื้องหน้าที่ในขณะที่ไหวเนี่ยเทวดาบางท่านก็ยังไม่แน่ใจว่าเราไหวในท่านจะประเสริฐ สมควรที่เทวดาอย่างเรามนุษย์ผมมีสิ่งมีธรรมจะกลาบไหวทานจริงหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราลองดูดีกว่าลองว่าลัทธิมันคงแข็ไหนพอจะกลับจะไหว้เป็นสาระของเราได้หรือไม่ก็ลองดูลองวิธีใดลองโดวยวิธี <S <S 2> <S 2> <S 2> เอาเหล็กเอาเบอร์นี่แหละมาให้ดูซะก่ขขอนว่าทา่านจะบอกชาวบ้านไหมท่านจะหลงไหกับสิ่งเหล่านี้ไม่พอมันเป็นทางนํามาแห้หลาบตักระเสียงเยอนยอยเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมัน่นพอบอกปับ๊บ ถ้าไม่เห็นเป็นในความฝันหรือเห็นเป็นในนิมิตในที่สุดก็ใจดิ้นอยากแกบอกคนโนดอยากแกบอกคนนี้ก็ไปเที่ยวบอกเมื่อบอกปับ๊บเทวดาทั้งหลายก็ทุยเท่ากันกับเราไม่มีอะไรมากกว่าเราเล ย, ยเป็นอย่างเงี้ยความเสื่อมก็เกิดขึ้นพอเห็นนั้นขุนพลที่เก่าลาโพสิโลโกสกาโลลาบสกาละเสียงเงยโย คุณพนที่สิบนั่นคือยศที่ไดมาผิดมิชารัลเทอจะเยออยะโซว่าอย่างนี้ภาษาบาลีช่วยฟังให้ดีหมายความว่ายศที่ไดมาในทางที่ผิดก็เป็นมารอันยิ่งใหญ่ทำให้เราอยากจะได้ผิดผิดโดยไม่สมควรจะได้คําว่ายศในที่นี้จะต้องรู้จักว่ายศนั่นมันมีอยู่สามยศ อิสเริยยศยศคือความเป็นใหญ่โดยตำแหน่งแห่งที่ที่ถูกแต่งตั้งสถาปนาอย่ันหนึ่งต่อมาก็บริวารบริวารยศยศคือบริวารมีบริวารมากบริษัทมากมีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเขารบยศยงมากต่อมาก็กิจิติยศ เกียรติยศยศคือชื่อเสียงโด่งดังฟุ้งกระจายไปในนี้นักปฏิบัติของเราทําไปทํามาก็เลยเล่นไม่ซื่อทํำยังไงนะเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังคนจะได้เคารพนับถือเราจะได้มีปริวาลยศครั้งแรกก็เอาปริวารนายศกก่อนต่อมาก็เอาเกียรติยศบริวาลนี่จะช่วยกันยกย่องต่อไป หลังจากนั้นบริวารมากยกย่องเชิดเสียนต่อไปก็จะมีคนไปวิ่งไปเต้นไปช่วยให้ท่าน เ, เป็นพระครูก็จะคุณแต่เป็นข้ า, า, ขาสององค์เจ้านะได้ชอบหรือไม่ชอบว่าช่างมันเพราะนั้นยศที่ได้มาโดยทางไม่ชอบเนี่ยก็เป็นมานอันหนึ่งคือช่วยดลจิตดลใจให้กระสันฟันไฟแต่สิ่งเหล่านี้โดยวิธีได้ต่างๆที่มันจะมีขึ้นจะเกิดขึ้น ให้คนเขาหลงให้คนเขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างโน่นเป็นอย่างนี้ตัวเองทําอย่างนห้คนอื่นเข้าใจยากนั่นการปฏิบัติจึงมีแข็งแข็งคืมคืมตึงตึงหย่อนหยอนยานยานต่อหน้าเป็นอย่างหนึ่งข้างหลังเป็นอย่างหนึ่งข้างนอกกบวานไว้ข้างในขอมข้างหน้ากระหรอกข้างหลังกระแต่อย่างนี้คนทั้งหลายก็เลยมีความรู้สึกไปหลายทิศหลายทางทุกวันนี้มีหนังสือหนังสือโฆษณาพระ อริยะเจ้าตรงโน้นตรงนี่บางทีก็ไปจ้างเขาลงให้เพื่อจะได้ดังๆลักษณะเช่นนี้มันก็เข้ามาสิงสูจส่จิตสู่ใจของเราอันนี้ระวังให้ดีอาไปสรุปเว้นสิีบาขุนพลของมารสิบกองพลให้รู้ไว้กองพลที่ยิ่งใหญ่กองพลที่หนึ่งเลยก็คือกามกามาเตปธรมาเสนาทุติยารติวัจติ กองพลที่หนึ่งของท่านคือกามกองพลที่สองความไม่พอใจไม่พอใจไม่กระทั่งตนเองเป็นอุปสรรคตัณหาปัวุตจติกองพลที่สามหิวกระหายหิวจะหลอกแกกแหลกไปหมดกองพลที่สี่ตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นไปทั่วทั้งเรื่องกามเรื่องความอยากเป็นเรื่องความอยากใหญ่เรื่องความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็น กองพลที่ห้าที่หกบรรจมมังธีในมิทันเตชัฏฐาพีรูปรวุตจติเมื่อหนาวหานอนเป็นกองพลที่ห้าใช้ได้มากปราบนักปฏิบัติมานักจนนักจนงัหัวไม่ขึ้นกองพลที่หกความขาดกลัวขี้คาดวาดกลัวไม่กล้าต่อสู้ทําไปทําไปกลัวจะตายว่าจะเป็นโลกประสาโรคกระเพราะโลกความดันโอ้ยสรยารพัดอย่างมันเอามโค อ, อยู่ดีๆย่านตาย นั่งนั่งเข้ากัวจะโซนพันกองทัพที่เจ็ดคุนพลที่เจ็ดกับคุนพลที่แปดสัตมีวิธิกิจชาเตมโคธรมโพเตอธมโมความสงสัยในปฏิปฏาทาสงสัยในสิ้นในธรรมสงสัยในประพุทธธรรมสงสัยไปหมดและก็ความลบลูดูมินความปัญญาามมกความดื้อไม่เชื่อฟังอยากจะลองของ ฮ่าเรื่องที่ตนเองจะทําอะไรแปลกๆแพงๆอะไรกัน ล, ล, ล, ล, ล, ลบลูดูมินคูบาอาจารย์กาวช่วงจับทําวินในมันเกิดขึ้นมาได้โดยพยามานนั่นแหละเข้ามาสิงมาสู่ออารมณ์ฝ่ายตา่ํากองพลที่เก้ากับกองพลที่สิบสำหรับผู้ที่จริ่มในสมาธิภาวนาแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทําลายลาโพสิโลโกส ก, กาโลมิชาลาโตเจโยยาโซลาสกันละชื่อเสียงเสร่เส้นเดินโยเด่นดังนี่กองพลที่เก้ากองพลที่สิบ เกียรติยศที่ได้มาโดยทางไม่ถูกต้องยศยศไม่ใช่เกียติยศจะยศอะไรก็ตามบริวาร น, นะยศก็ตามเกียรติที่ยศก็ตามอิสริยยศก็ตามยศความเป็นใหญ่เป็นโตัวที่เขาแต่งตั้งให้ก็ตามเจ้าองค์เกิดจากบริวารมีจํานวนมากมีความลงไหลสัทธาทาัาทา้งหมทําทุกอย่างที่เขาจะเลือกใสทํายังไงให้มันลับๆ ล, ละหละ่อพวกโพโ พ, พ, พ, พ, พ, พ, พวางหมาดสาตัตตดาอะไรต่างๆเอาแต่มันจะเป็นไปแหละ เรานี่เป็นกองผลที่สิบกองผลที่สิบนี่คอยทําลายผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังดังตลอดเลยไม่พออยากแกดังไปเรื่อยไปรู้จักเบื่อจากไหนอยากแกเอื้อมละอะก็เลยสร้างรูปแบบพิธีรีตองอะไรขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองการกระทําทางกายทางวาจาเป็นของตนเองขึ้นมาคนตังางๆก็ลางร้ายก็ไปกราบไหวบูชาอา้าวชื่อเสียงโด่งดังเกิดเกีดยรติยศปริวานายศต่อมาก็ทําให้เกิดอิสริยยศ ความเป็นใหญ่เป็นโตในหมู่ในขณะในสังฆมณฑลลักษณะเหล่านี้คือกองทัพแห่งมารหลังจากนั้นก็ิ่มละลายในความเจริญทางจิตทางใจที่นี้เมื่อเรารู้จักกองทัพมารเหล่านี้แล้วก็มารู้จักสิบกองพลแห่งกองทัพมารก็มารู้จักสิบจอมประจัญบานแห่งกองทัพธรรม เมื่อพระพุทธเจ้าของเราทูกพระยามานยกกองกําลังอันยิ่งใหญ่มาที่เขาเขียนเป็นลูกประทําที่เราได้ยินสวดประหงสหาหัสสมภิเนมมิจซาบุธานตั ง, างตคาริเมกะลังอุติตโครัสเซนามาลังพยามานขีชฉางคาริเมการะซุงต่างหลายยอดสามสิบยอดในละมิแค้นเป็นพันๆบริวานเป็นเบืรนเบินทัน้งแสนไล่พระศาสดาไล่พระองค์ออกจากใต้ต้นไม้ไม่ดีนี่ อยู่ไม่ได้ก็ตาย น, นั่นนี่มันเกิดมาจากบารามีของฉันท่านพายุที่นี่ทําไมพระศาสดาเกือบจะลุกกําลังจะลุกขึ้นแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้เราได้อยากทาแปดกรรมลรามาโป่งลงวางลงอธิษฐานใจกางมังกรโจจะนะห้าลูจะอธิธจะอวสสตสสตุอวสิสตุเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเลื้อยโยกก็ถามทีหลังจากนั้นบอกสั ลีละมังสะโลหิตังเลือดและเนื้อในสลีละนี้จะเกิดแห่งไปก็ตามทีประโยชน์อันใดอันจะพึงบรรลุถึงได้ด้วยกําลังด้วยความเปลี่ยนด้วยความบับบันของบูรุษถ้าหากเรายังไม่บรรลุ ด, ด้วยประโยชน์อันนั้นถึงประโยชน์อันนั้นเราจะไม่ยอมลุกให้มันตายเน่าอยู่ตรงนี้นี่คือคุณผลที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราวางเป็นกําลังเอาไว้คุนผลข้อนี้เรียก ว, ว่าอธิฐาน อธิฐานนั้นไม่นจะแปลว่าปราธถนาแปลว่าความตั้งใจมันการตัดสินใจเด็ดเดี่ยววางจุดไมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอนและดำเนินตามนั่นอย่างแน่วแน่ Resolution Self Determination ว่าเป็นภาษาฝรักันนี่นี่คุณพลของเราเนี่ยเป็นคุณพลที่หกและเป็นคุณพลที่แปด ที่ต้องวางไว้ล่วงหน้าก่อนคุณพลเนี่ยจอมประจันบาทคืออธิฐานจาไว้ให้ดีอธิฐานใจใไม่ดีมันตายไม่ตายให้มันดีพระพุทธเจ้าวางตัวนี้ไว้ก่อนว่ากามังตะโจจะนะฮารูจะอธิจะอวสัตตูฟัสิตัตตบอกว่าแม้นังเอ็นกระโดกเท่านั้นจะเหลืออยู่ก็ถามที อธิาอย่างนี้ตั้งแต่อย่างนี้เลือดและเนื้อจากเลือดและเนื้อจกเหือดแห้งไปประโยชน์ใดอันบุรุษอันบุคคลจะพึงถึงลุถึงได้โดยความเพียรโดยความบากบัน่นถ้าหากเรายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีประกาศจดยืนอย่างเด่นชัดเป้าไม้อันแน่นอนพูกง่ายๆว่าไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดี เพราะอยนั้นนี่กองทัพหน้าของเราที่จะประจัญบ้านกับมันตั้งใจไว้เลยไม่ต้องกลัวเอ้าตายให้มันตายไปเบอกภาษาพัยสานต์รีลวดไปก็บักโซโซตายหนาฮากินจะเมืดตุนบริย่านดีดีตายถิ่มบอลเลงตายแข้งบอจมตายแซน่าพ่อให้ตั้งให้สุมเย็นตายมาแล้วไม่รู้กี่แสนชาติกี่โกฏับมาแล้วเดี๋ยวตายอีกครั้งเนี่ยมันตายไปเลยเพราะการหนั่งสมาธิเพราะการเจริญเพราะวันน่ะให้มันตายลด อย่างนี้เรียกว่าเซลล์ดิเทอร์เมนชันตั้งแก่มันนี่เป็นกองทัพน้าที่จะปรจจันบานนะครับมันนี่นะค่อยเข้าใจสิบคุนพลแห่งกองทัพมันก็มีสิบประจันบานแห่งกองทัพธรรมคือบารมีสิบปฏิปทาอันยวดยิ่งคุณธรรมที่ประพฤตปฏิบัติอย่างยิ่งยวดคือความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุถึงจดุดหมายอันสูงส่ง เช่นความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมหาสารวกก็ดีล้วนแต่จะต้องมีธรรมสิบประการนี้แต่ด้อย่างธรรมดาถึงอย่างสูงสุดเทวบาลามีสามสิบทัศคือสิบบวกเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีกสามเท่าเป็นสามสิบมีอะไรมีทานมีศีลมีเดชธรรมมีปัญญามีคติมีสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขา อา้าวลองดูเรามีฐานการให้การตี่สลับทานธรรมดานั่นทานเงินทานทองใส่บาทใส่พกเหมือนเขาทานแต่เราได้ทานอย่างยิ่งทานธรรมดาไม่พอทานอะไรทานลูกทานเมียทานชีวิตทานนั้นแปลว่าให้เจดีย์ออกมาบวชแล้วเรื่อว่าทานเมียนะพวกเราในทานลูกทำไมจเจดียกว่าทานเมีย ทานด้วบเอาไหมเราไม่เอาเลยทานล่วมหน้าเลยเกิดมารเราไม่ใจกระเทยเราไม่ใจเป็นคนไม่มีความรู้สึกมันจ่เป็นพระอรหันมาตั้งแต่ในท้องเราก็มีจิตมีใจมีเนื้อมีม ana, มตัวมีกิเลสตนะเหมือนชาวบ้านแต่จะมีลูกมีเมียก็มีได้ไม่มีกฎหมายมาตานไหนห้ามคนอย่างเราอย่างน้อยกับขี่ไหลถทายเปยจังสีก็จะมีผู้เอานำอยู่ด้วยว่าแม่หางนั่งใหม่แต่เราไม่เอา ให้ออกไปเลยให้อย่ความยากได้ให้ความยากเป็นยากเป็นทั้วยากได้เมียให้ออกไปจากใจให้ทานอย่างนี้เรียกว่าทานเมียทานลูกพร้อมทานเมียแต่ก็ท า, านลูกด้วยออกลูกเองอะไรเนาะนี่เรียกว่าให้ทานอย่างยิ่งยวดนอกแก น, นั้นให้ทานชีวิตเป็นทานยอมเสียสละแม้ชีวิตนี้เพื่อแลกกับทำนะเห็น ไ, ไหมที่กว่าจงยอมเสียสละ เพื่อรักษาอวัยวะจะเช่ท่านนั่งอังคารรัตสสะปะัสสะปาลียอมเสียสละอวัยวะยอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ยอมเสียสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตเพื่อแลกอกับธรรมะนี่กองผลของเรา ลุยมันกัไปซินเอา้าวการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยการประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยอันนี้ก็หัวเด็ดตีนขาดรักษาไว้ในเนื้อในตัวไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ขอตามใครจะยกย่องหรือจะรังเกียจเดียฉันก็ตามแต่เราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ในจิตในใจ การพูดการทำนี่เราจะไม่กระทบกระทั่งจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ดไดไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นให้มันบีอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจอยู่ตลอดการรับผิดชอบในการพูดการทําการคิดจนนอนหลับไปฝันไปก็ยังเป็นผู้มีสินมีธรรมอยู่ในฝันทงขนาดนั้นแหละทามันปานนั้นต่อมากในคำะในการออกบวชการปลีกตัวปลีใจจากการมเหมือนพวกเรามาบวชอยู่อย่างนี้ แม้ว่าจิตใจของเรายัางเกี่ยวข้องยังมีความต่องการดูกับกามก็ตัมแต่เราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าอยู่เราก็ไม่ยอมสละเพศอันสูงสู้เพศอันตำ่ำประพฤติพรมจรร์ทั้งๆด้วยน้ำตาหนงหน้าพระพุทธเจ้ากล่าวาว่าเป็นปฏิโสตค า, ามีปุคโลเป็นบุคคลผูดทวนกระแสเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้ ไม่ใช่ว่าจะเกิดมาเป็นพระอรหันต์บวชมาแล้วคนมาบวชไม่ใช่ว่าจะญาติมาจากฟ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มาก่อนพระพุทธเจ้าว่าเธอจะถูกกิเลสบีบคั้นเต็มไปด้วยความทุกขโทมานัตแต่เธอร้องไห้น้ําตาไหลนองหน้าอยู่เธอก็ประพืชพรหมจันท์เนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เช่นนี้นี่เรากะว่าผู้ทวนกระแสผู้พัฒนาเพราะนั้นเน่คัมมะเนี่ก็คือการปีก ตัวปลีกใจออกจากกามนั่นเองเราก็เอากันอยู่อย่างนี้ปัญญาความรอบรู้ความอย่างรู้เหตุผลเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญญาอะไรพระพุทธเจ้าเน้นวิธีปัญญาชํ้มแรกเกิเลตลิเพธิกายะสมมาทุกขะยะคามานิยาพิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถคามานิยา อริยยะปัญญะสมณาคาโตนิเพธิกะยะสมมาทุกขะยะขามารยาที่สู่ผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับด้วยปัญญาอันประเสริฐจมช ำ, ำรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกโดยชอบนความเกิดความดับกิเลสเกิดได้มันก็ดับได้รู้ว่าโอ้นี่มันเกิดขึ้นมาแล้วกามเกิดขึ้นมาก็รู้กามตั้งอยู่ก็รู้เหตุให้เกิดกาม <im itation> มันเกิดมาเพราะอะไรแล้วมันดับไปเพราะอย่างไรมันกลับคืนมาอีกได้เพราะอะไรมันไม่กลับคืนมาเพราะอะไรมีบัญญัติศึกษาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดจนรู้ถึงนเงื่อนสนกลไกของมันในที่สุดก็รู้จักทําลายมันมันเกิดมาได้เพราะอัอนนี้มันดับไปเพราะอย่างนี้มันไม่กลับคืนมาเพราะอย่างนี้รู้มันอย่างนี้มันเกิดมาเพราะความดําริไข่ไปความดาริเกิดมาจากอารมณ์กกระทบเปลี่ยวว่า ทำมารม้มทำก็เกิดภาษาเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานรู้เท่าทันมันรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางอย่างนี้ไม่ต้องไปรู้อะไรมากทิเททิตตมัตตังภวิส ต, ติเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้ว่ามันเห็นพอสุเตสุตมัตตังภวิสติใดยิ่งก็เพียงสักแต่รู้ว่ามันได้ยิ่งรู้แล้วไม่หลง รู้เข้าไปในสิ่งที่เคยล้มไม่ได้ล้มเข้าไปในสิ่งที่เคยรู้อยู่ตลอดอย่างนี้ปัญญาชนิดนี้ไม่มาไม่ต้องจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเพียงที่รู้รับรู้รับทราบสิ่งที่มันกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอไม่ได้ยินดีกับมันไม่ได้ยินร้ายกับมันมันยินดีเราก็ไม่ยินดีกับมันมันยินร้ายเราไม่ยินร้ายกับมันเสตุข้าตําลายสะพานให้มันจบลงเพียงแค่รู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยิน รู้ว่าได้ทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้ว่าได้รู้ทางใจโอ้ใจมันรู้อย่างนี้ก็รู้ว่ามันรู้เพียงแค่นี้เราก็มีปัญญาบา ร, รมีอย่างนี้วิริยะความเพียรคุณผลที่หาของเราคือวิริยะผ่าเพียนแกล้วกล้าไม่เต้งกลงกัวอุปสรรคพยายามบ า, า, ากบั่นอุตสาห์ก้าวหน้าเลยไปไม่ถอดทิ้งธุระนาทีทึ่งก่อฉั่งไม่ทึงก่อฉั่ง เกิดอีกแปแสนชาติกว่าช่งหัวมันจะไม่ทอดทิ้งความเพียรเอามันอย่างนี้เพื่อรบรอยร้าวข้ามน้ําตาของอาตมามาฮาบสักพันชาติยอมมวยด้วยฮะเรหันแม้เกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งขัดจะฟาพันกิเลสไัยด้วยใจสนุกตายไปมึงตายเกิดมาใหม่จะทำความเพียรอีกจะสู้กับมันอีกตกนรกขมไหนจะไม่เลิกในการทาความเพียรเอามันอย่างนี้ มันจะอยู่ได้มันโยไปเลยเอามันไม่พังกูพับเกิดมะไมซัดกับมันอีกประกาศสงครามตลอดนี่รันการเอามันอย่างนี้อย่างนี้ก็คุณผลของเราคุณผลที่ห้าคุณผลที่หกขันติปรมีสัมปนโนติพิโตปะกวา่าเราเคยได้คิดความอดทนความทนทานของจิตใจสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำนาจเหตุผลและแนวทางความประพฤต ที่ตั้งไว้เพื่อจดหมายอันชอบไม่ลุ้อำนาจแก่กิเลสที่เกิดขึ้นอดอดทอนทัง้งภายนอกทัง้งภายในอารมณ์ที่มันรบกวนกระทบรบกวนจิตใจไม่ว่าจะเป็นกามไม่ว่าจะเป็นพยาบาทไม่ว่าจะเป็นความเบียดเบียนพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นกับฟันอดทอนทน ท, น, ทนจนกว่ามันจะสลายไปจนกว่ามันจะผ่านไปมันไม่อยู่กับเราหรอกมันก็อันนี้จังเหมือนกันอดเอาทอนเอา บวชก็ทนบวชไปประพืชปอบาจารย์ไปร้องให้น้ำตาไหลน้องหน้าประพืชมันทั้งน้ำตาอดทนนี่ขุนผลที่หของเรามันจะเก่งเกินเราอีกหรือไม่หิวห้อยังไมอดสักจะความจริงพูดจริงทำจริ ง, จ ร, งจริงใจไม่หลอกลวงแม้กระทั่งตนเองอย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยแต่นี่วพวกเรามันหลอกลวงตันเองผ่าผูดอย่างหนึ่งใจทำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนอนรู้สึกตื่นขึ้นไม่ลุกขึ้นมาทำความเปลี่ยนนอนเสีมีแหงอีกจังหน่อย ลอกลวงตนเองไปเลยซื่อสัตมิสัจจะจริงใจหลับแล้วๆไปเต้น ม, มาชั่จะลุกไปทําความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาเพ่งดูจิตพิจารณาเพ่งดูกายดูสิเวทนาดูธรรมโน้หมื่นอย่างเนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าคุนพลที่เ็ส่วนคุนพลที่แปดเราได้กล่าวมาไว้แล้ววันเราเอาเป็นหน่วยหน้าอธิฐาน ตั้งใจมั่นตัดติ้งใจเด็ดเดียวางจุดหม้แห่งการกระทำของตนไว้แน่นอนดำเนินตามนั้นอย่างแน่วแน่ไม่ดีตายไปเลยไม่ตายเรือว้ปเป็นคนดีของโลกคุณผลดี่ามเมตตาความรักใคร่ความปาถนาดีมีไมตีคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงมีความสุขความเจริญ พิจารณาให้เกิดความเมตตาปาณิเพื่อจิตใจสบายไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์อื่นใดไม่ใครจะเบียดเบียนเราเราก็ยังคิดว่าเขาคือน้องเล็กๆของเราชาติหนึ่งเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาเอะไรจะไปทอโทอดกดเคืองมองโลกในแะง่ดีอย่างนี้ไปสุทิศไหนๆก็ไม่ต้องบาดกลัวอะไรจะเกิดขึ้นยิ้มรับทุกสถานภาพอย่างไรเซียนเราจะเป็นูุไม่มีเว้นไม่มีภยัยไม่ต้องหวาดระแวงกับใครวางใจไว้เช่นนี้มันก็เกิดความสบายใจ ตัวสุดท้ายอุเบกขาความวางใจเป็นกลางความวางใจสงบราบเรียบสม่ำเสมอเทียงทํามไม่เอ็นดีไม่ได้ความยินดียินรลรหรือชอบชังตัวที่เป็นบทสรบเอาล ะ, อ, าละอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นมารับรู้รับทราบไว้ก่อนพอใจก็รู้ว่าพอใจแต่จะไม่เป็นเจ้าของความพอใจเขาไปยึดมั่นถือมันไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจแต่จะไม่ไปเป็นเจ้าของร่วมไม่พอใจกับความรู้สึกอันนั้น จะเรียกว่าอุเบกขาอุปะแปลว่าเข้าไปอีกค่ะเข้าไปจ้องมองดูอยู่ยานไก่ชิดรู้จักรับทราบรับรู้แล้วก็ปล่อยวางสรุปลงสู่ความไม่เที่ยงอันนี้จังทุกครั้งอนาตาวันนี้กิเลสตัณหามันมีกําลังมันคิดเกิดมาในเรื่องกามเรื่องอะไรก็วางเฉยไว้รู้ไว้โอ้ดิมันเกิดขึ้นแล้วปุยอย่างนี้นี่ขุนผลของเรามันก็มีอย่างนี้ ด้วยเหตุนี้เองท้อให้รู้จักให้ดีสีบคุณแห่งกองทัพมาแล้วก็สิบจอมประจันบาลแห่งกองทัพทำแต่ต้องสร้างขึ้นมาเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงด้วยริ้วรวงแห่งอริยญาะธรรมที่เรียกว่าบารมีสิบประการทานศิลเนคขมปัญญาขันวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาพยายามเพียให้มันเกิดมันมีก็จะสมศัก์ สีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เป็นนักบวชตามรอยแห่งพระอริยเจ้าไม่วันใดก็วันหนึ่งกิเลสาตวาทั้งหลายก็จะหมดไปสิ้นไปทูกเราเบาบางเจือจางหมดไปสิ้นไปจากมากให้มันเลือนน้อยจากน้อยก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่างนี้พยายามไปภาเพียนไปอย่างนี้ อย่าได้ใจร้อนใจเร็วด่วนได้ในการทำความเพียรขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าการที่เรามาทำความเพียรกันในปานในเขาในเตรียมเพื่อจะรู้จักรู้ทางของมันให้ดีๆหลังจากนี้เราจะกลับไปสู่วัดว ร, ราอารามของใครของมันเราก็จะทำความเพียรไม่หยดไม่หย่อนแล้วก็จงรู้ไว้ว่าการทําความเพียร น, นั้นมีจดหมายปลายทางคือความดับลงแห่งความทุกข์ ยังได้ตั้งเป้าหมายเป็นอย่างอื่นว่าเราทําความเพียรเพื่อจะมีริบมีเดชมีหูทิพตาทิพมีคนสรรเสริญเยินยอนในการประพฤติการปฏิบัติของเราอย่าได้ตั้งเป้าหมายไปอย่างทันย่าได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้เป็นพระอริยเจ้าโสดาบันสกิทาค้าอนาคาอรหันต์ยิ่งอยากเป็นพระอริยมันยิ่งยืดเยื้อยิ่งชาไปใหญ่เลยอยากเป็นหัวมันอะไรเลย ต้องอยากอย่างเดียวคืออยากไม่มีทุกข์เมื่ออยากแล้วมันทุกข์เกิดมาทันทีอยากเป็นพระเรียจ่ามันก็ทุกข์แบบหนึ่งอยากเป็นพระโซนะวันตะกิตาการนากมันทุกข์ครั้งนั้นทุกข์เพราะไม่ได้เป็นนั่นเอะทุกข์เพราะอยากเป็นแล้วทุกข์เพราะไม่ได้เป็นที่จะเกิดว่าไม่ต้องอยากหัวมันเลยอยากอย่างเดียวคืออยากไม่ทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากไม่ได้อยากเป็นพระเรียจ่ามันก็ทุกข์แบบนี้หน้าปฏิบัติที่หลับหูหลับตากัดเขี้ยวกัดฟันเพื่อจะเป็นพระเริยจ่าเพื่อจะ รูไไ้จะเห็นอะไรต่างๆเกิดความทุกมาจนในที่สุก็เบื่อหน่ายขายกําหนัดอย่างนี้เรียกว่ามีปคห่าเพ่งจ้องมันจนเกินไปประสาทก็เลยเครียดนักปฏิบัติเป็นบ้าเป็นบอที่เขาเรียกว่าทําแต่วิปริตวิปรัสดอะไรต่างๆทั้งหมดมันทําด้วยความอยากเราถ้าจะอยากก็ขอให้อยากความทุกมันหมดไปเมื่อรู้ว่าตนเองอยากอะไรมันเป็นทุ ก, ก็เลิกอยากตัวนั้นเสีย จงอยากอย่างเดียวว่าอยากไม่มีทุกเอนี่มันทุกนีเพราะฉันอยากฉันอยากอย่างเดียวว่าไม่ให้มันทุกฉันจะไปอยากให้มันทุกอะไรมากจะไปได้ไรกับช่างคั่วมันพระพุทธยาณไม่ได้ชวนให้เราไปทาความเพียรเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ดอกจะไม่ให้ดี ท่านไม่ได้ชักชวนให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็นพ่อละหันเพื่อจะได้เป็นผู้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชมีไม่ใช่กันพาวเวอร์เปร์น้องมอนอะไรดอกในสมัยพุทธกาลเมื่อท่านแสดงธรรมมีผู้ไดผู้หนึ่งฟังและมีความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจและปรารถนาจะบวชจะประพฤติตนตามคำสั่งสอนของท่านท่านก็จะบอกว่าเอหิภิกขุติอโวจะสวากาโตธรมโมมาม มาบวชเสียมาเป็นพิขุเติดทำอันเราก่าวดีแล้วส ร, ระกาโตธรรมโหลังจากนั้นท่านก็จะบอกไปว่าพมจารย์เจรษะมาประพฤติพมจรรันเถิดสัมมาทุกทขยะมาทำที่สุดทุกโดยชอบอันโตทุกขัสสะอันตะกิริยายะ จงมาทําความสิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบเธอรประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปแห่งความทุกโดยชอบโดยชอบอย่างไงโดยชอบคือทําให้มันถูกต้องให้ความทุกหมดไปอย่างถูกต้องไม่ใช่มากรบทุกมันจะมาเกลียทุกมันจะมาคมทุกคนทุกวันนี้ไม่ว่าใครที่ไหนก็แล้วแต่ทําอะไรไปก็เพื่อจะหมดทุกเพื่อจะมีความสุขเออบุรีก็เพื่อจะหมดทุก เพื่อจะให้ไม่มีความสุขในการซูปกินเหล้าก็เพื่อจะให้มันหายทุกข์หายกลุ้มเราจึงได้ยินว่ากินเหล้าแก่กลุ้มซุปบุรี่แก่งดงิดง ด, ง, ดงิดนั่นก็คือทุกเองนั่นเองทั้งหมดนั้นมันไม่จะเป็นการดับทุกข์มันเป็นการกลบทุกข์เอาไว้แล้วความทุกข์นันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นจึงมีคำ ว, ว่าสัมมาทุกขคยยะ อันโตทุกขสาอันตะกิริยายะกระทำที่สุดทุกขทําให้ความทุกข์สิ้นไปกระทาที่สุดทุกขโดยชอบทำที่สุดทุกโดยชอบนั้นก็คือทุกหมดไปโดยไม่ได้กลบทุกเอาไว้แต่ทําลายความทุกข์อันเกิดจากความยากได้ยากมียากเป็นยากเป็นพระอริยเจ้าก็ทุกแบบพระอริยเจ้าทาลายความอย่างนี้ไม่ต้องยากเป็นหัวมันเลยทั้งพระอริยเจ้าเมื่อความทุกข์หมดไป มันจะเป็นอะไรก็ชังวห่มันเอาความทุกข์นี่นะมนเป็นคูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องวัดเมื่อมีกิเลสร้อยเปอร์เซ็นมันก็มีทุกข์ร้อยเปอร์เซ็นเมื่อมีกิเลสลดลงไปยี่สบห้าเปอร์ซนความทุกข์มันก็ลดลงไปยี่สบห้าเปอร์เซ็นกิเลสคือความเห็นแก่ตัวนั่นแหละตัวสำคัญที่สุดเมื่อกิเลสลดไปห้าสิบเปอร์เซ็นความทุกข์มันก็มอดไปห้าสิบเปอร์เซ็ต กิเลสหมดไปเจ็สิบห้าเปอร์เซนความทุกข์มัก็หมดไปเจ็ดิ้าเอร์เซนมื่อกิเลสหมดไปร้อยเปอร์เซนความทุกข์มัก็หมดไปด้วยกันร้อยเปอร์เซน์ไม่มีเรือกเรนี่ก็เลยเอาความทุกข์นี่ยเป็นตัววัดระหว่างกิเลส <c oughs> ถ้ามีความทุกข์เท่าไรเลยมันมีเท่านั้นแต่ความทุกข์หมดไปเท่าไรกิเลสหมดไปเท่านั้นความเป็นพระอริยเจ้าก็มีขึ้นมาเท่านั้นอริแปลว่าฆ่าเึกยะแปลว่าไปไปจากฆ่าเึกคือไปจากกิเลส อาทีนี้ถ้าความทุกข์ที่มันมีอยู่รอยเปอร์เซ็นตหมดไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตมันเหลือเพียงเ็ดห้าเปอร์เซ็นเมื่อ น, นั้นก็ควรจะเรียกว่าไกลจากความทุกข์ไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเป็นพระอริยเจ้าเบื้องตนโซดาบันได้แต่ความทุกข์หมดไปเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตไกลจากความทุกข์ไปได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซนเมื่อ น, นั้นก็เป็นพระอริยเจ้าไปห้าสิเปอร์ซนเจ็ดสิห้าเปอร์เซนความทุกข์หมดไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนั่นก็เป็น สักกิทาคามีความทุกข์หมดไปเจ็ดิบ้าเปอร์เซ็นก็ควรจะเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าไปแล้วเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคืออนาคามีแต่ความทุกข์หมดไปร้อยเปอร์เซ็นมันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแต่เราอย่าไปเรียกชื่อว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่อยความทุกข์มันหมดไปสิ้นไปในปฏิบัติธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกวเอหิภิกขุติอาบจะสวากาตเตหัมสวากาตโตพระควาดาทรรมโม พรมจรย์ยังจริสัมมาทุกขสันตะกิริยายะมามาเป็นภิกษุสีมาประพฤติพรมอาจารย์เพื่อกระทําที่สุดทุกโดยชอบเทิดดูเข้าไปในใจเราทำอย่างนี้ฟื้นจิตฟื้นใจคมกิเลสตัณหาทวนกระแสต่อความอยากทวนกระแสต่อความชั่วฟื้นใจสร้างแต่สิ่งที่มันดีมันงาม ดูเข้าไปในใจว่ามันมีความทุกข์ขนาดไหนความทุกข์มันลดลงไปเท่าไรจิตใจมันเหมือนเก่าเหมือนเดิมหรือไม่เราเคยมีความรู้สึกทางกามารมกามารมที่เซนสティブที่รุนแรงมากบัดนี้มันลดลงไปมันอ่อนตัวมันเนยนายมันผ่อลงผ่อลงมันไม่สปาอย่างรวดเร็วมันกับเชื่องช้าลงไปช้าลงไปน่ะมันลดลง ความโกรธที่เคยเซนสティブอย่างรุนแรงใครกระทบกระทั่งไม่ได้ลุกเป็นฟืนเป็นไฟบัตรนี้มันได้เย็นลงความโกรธร้อยเปอร์เซ็นมันลดลงลดลงลดลงแทนที่จะโกรธหนึ่งชั่วโมงมันเหลืออยู่เพียงห้านาทีหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีอย่างนี้นั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าโ อ, <c oughs> โอ้กี่เละของเรามันก็อ่อนตัวลงเป็นเหมือนกันบุย้ยเมื่อมันอ่อนตัวมันเป็นโรคขาดอาหารเองหน่อยมันก็คงจะต้องตายเราไม่เติมเชื้อให้มันมันเคยโกรธรู้ว่ามันโกรธแล้วไม่ไปช่วยมันโกรธนี่ พระพุทธจ้าว่าอนานหะาโรไม่ให้อาหารแก่มันอีกไม่เดิมเชื่อให้มันมันเคยมีความกำนัดมันัตหรือรั่วมันกำนั ด, มนนดไม่ไปชุก